My. เนนัสหาตััะมนตังโังยาจมนามภควตรหโตสมสมุจจานามุจภควตุรหโตสมสมุจนามภควตอรหโตสมสมุจ สักรังาจาน ธรรมสราณังราชานิสร้างังสรณังาชานิดุติยมีบทธรสราณังราชานิดุติยมีธรรมสราณังาชานิดติยมีสรงขังสรณังรชาิ ตัติยมพิมุตังสรณะงักฉามิตัติยมพิมุตังสรณะงักฉามิตัติยมพิสังขังสรณะงักฉามิตัติยมพิสังขังสรณะงักฉามิสรณะกามังยสัง ตาโนเจปาตาเวระมณีเจ้าปางสมาริยามิตาณีตาตาเวระมณีเจ้าปางสมาริยามิอดินนาดานาเวระมณีเจ้าปังสมาริยามินะมีาปางสมาริยามิผู้รักษาเนากาเมสนิชฌาจาราเวระมณีเจ้าปังสมาริยามิ มูลค่าแสนแปดอะปรัมจริยาวเวรมณีมิฆาปัตังสมารียามิมโจจาริยาวเวรมณีมิฆาปัตังสมารยามิ มุสาวาดาเวรามนีสิกขาปะรังสมาอิยมิมุสาวาดาเวรามนีสิกขาปะรังสมมาอริยมิสุรามิเรยามัจจพมารตานาเวรามนีสิกขาปะรังสมาอิยมิสุรามิเยามัจจพมารตานาเวรามนีสิกขาปะรังสมาอิยมิภูริาอิมาเนปัญจสิกขาปะรานิเชเรนะสุขติัญติเชเรนะโพกสัมปะา ที่เรียกันติัตสมาทลังวโสทยิบูดอัพเสิยแตกต่อไปวิคาบโคชนาเวรัมณีสิชาพรังสมาธิามิวิคาลโคชนะเวรัมณีศิชาพรางสมาธิามินัต จ, จีต า, าวีตาวิโสกดัดสนามาณกันถาเิเลปะนาทาระมะมดนาวิภูสาทาลเวรมณีสิชาพรังสมาราิามิ มาจงอิวาวิสุัตานนาลนัิเรันลาัาิสุัะวะิภาังสัมมาจานี้ขจาสยมะหาสยาเวรมณีศิษย์ปะรังสัมมาญาณีขจาสยามะหาสมเวรมณีิะราานิมังัอว สิมังนักธรมตมนักตังภูตปยัตตังโังที่มันจะัิที่มันจะตีัวตังธมเทวาวิรักตงรรมะยามพพทเจ้าขอธทานเอาอโันที่พระพุทธเจ้าต้องาจัดไวมีอประการ เพื Jesus, ่อจะรักษาไว้ให้ดีมีให้บาดมีให้ํำลายที่วันหนึ่งกับขื้นหนึ่งณเวลาวันนี้ขอคุณสนทนีจงเป็นปัจจัยประฏิสัยแก่พระนิพพานแม้นัอนาคตปายเบื้องหน้าโน้เซินอิมาเนอจางเสีาพราเนอเจเกงกัตสินเจวังภูโคสะทาสีรวัชเชตมเหหิขาถูกังหันกังกัตตวา อัปมาเรณ ะ, ะ, ะเลพิตตบาที่จุติจงกันติที่เรณโภกัมปะระที่เรนี้จุติงกันติจตัมมาทีล่ลังวิโตทะยูวันนี้พวกเรามาทําบุญมีธานวัดมีศีลวัดมีภาวนาวัดเพืะได้ถึงคุพระพุทธธรรมประสงค์ มีจาขาวัดมีสีระวัดเหล่านี้เป็นต้นที่สวนที่เราทำบุญแล้วเราจะใส่ชื่อหรือนามว่าบุญอะไรก็เป็นเรื่องของเราจะใส่ชื่อหรือนามว่าบุญอะไรก็ตามถ้าทำแล้ว ก, ก็คือบนใจนั่นเองก็ไปอยู่ที่ใจจะใส่ชื่อหรือนามบุญอะไรอะไรก็แล้วแต่เราชอบเรียกว่าทำบุญต่ออายุ ข, ของบุญ ผู้ใดทำบุญก็ต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจท่านผู้ใดทำบาปก็ต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจนั่นเองแล้วจะใส่ชื่อเือนว่าบุญอะไรอะไรไม่เป็นปัญหาเราทำเร า, เรา ท, า, ร า, ทาลงที่ใจมันก็ไปต่ออายุบุญอยู่ที่ใจเราทำลงที่ใจก็ไปต่อบาปลงที่ใจถ้าเราทำบาปทำบุญฉลองใจทำบาปฉลองใจมันก็ฉลองอยู่ที่ใจ น, นี่เราฉลองกุฏิวิ ห, а, หารหรือฉลองอันอื่นสิๆๆ่งอื่นก็ไม่รับ ก็ใจเป็นผู้ได้รับทำบุญบ้านบ้านก็มาได้รับทำบุญที่วัดวัดก็ได้รับก้อนหินก้อนผาหัวใจของเราเนี่ะรับทำบาปู่ที่ไหนก็เหมือนกันทำบุญก็ทำให้ตนทำบาปก็ทำให้ตนอัตตเหียอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำใจให้เป็นที่พึ่ง นอกากายก็ไม่มีอันใดจะเบียดเบียนใจตาหูจมูกเลี้นไม่มาจะเบียดเบียนใจและไม่รับมาอนุโมทนาด้วยและไม่มาขัดข้านด้วยตาหูจมูกเลี้ยนกายใจคนเดียวใจรูปอันเดียวมีอิสระจะทำดีข็ใจเป็นผู้ทำจะทำชั่วข้าใจเป็นผู้ทำไม่มีใครมาแย่งทำและก็ไม่มีใครมาแย่งรับเอาผลด้วยนั่น ยะถาวารีวหฮาปราปรรปเรนตีธาธารเอวมิวโตเทนังเปทานังอุปคภัติมิจิตังปฏิจิตังตูมหังเกปเมวัสมิมิุตูสเปปูเรนตูสังกับปาจันโทปนารโสยทถามณีโสตีโสยะถาสัพพิจโยวัจจันโตสัพพสุขูสัพพโยสัพพโลกเวนัสสัตุมาเตภวตวนตาโยสุขิศีกายุโภวะอภิวาชนะสี นิานิจังวุฒาปรัญญโนยัตตารธรมมวันติอายุวันโนสุขังพผังโสอัตตะโทสุกิโตรุนหูพุทธศาสนโรโคสกิโตโหหิสัพเพหิยาติภิสาอัตระทาสุกิตายรุนหาพุทธศาสนโรคาสุกิตาโหหิสัพเพหิยาติภิเตอัตระทาสุกิตายรุนหาพุทธศาสนโรคาสุกิตาโหทะสัพเพหิยาติภิ วัตุสัพพมังคังละกันจิตสัเทวตารัตพุทธานุภาเวนะาทาสวดีพรวันตุเตวัตุสัพพมังคังะกันจิสัเทวตาสัพัฒมานุภาเวนะนาาสวสถีปรวันตุเตวัตุสัพพมังคังลงกันจุตสพเทวตารัสพังคานุภาเวนะาทาสวดีรวันตุเตอยู่ทุกว่นไปมีประมาณนั่นเถิดนิพพานาปรมาจุนขกังให้เสนเพื่อพระนิพพาน ให้พรเพื่อภระเนรพลกมินกมินหนังสือเอามาให้พี่แนวดแล้หรือยังเอามาให้แล้วครับเออได้รับแล้วเพราะหนังสือเป็นหนังสือเอกสารเอกสารสำคัญเอกสารที่สำเร็จพระบราราชาให้คนมานนมนฑ์ไปตรวจโรคเรารักษาสัตว์ของเราถ้าเราไม่ สามารถจะผ่าจะตัดและไม่สามารถจะนอนข้างคืนเราก็ไม่มีการจะไปใช้แล้วไม่ได้ขัดข้องไม่ได้เขอดขืนต่อสมเร็จพระบรมราชอองค์การพิยนุษย์เอาอ่านให้พี่น้องฟังสินังสีนี้เป็นสำเนานะคะอะวิทยารายไม่หิดนนะคะเป็นหนังสือที่ทมศูนย์แปดศูนย์หนึ่ง ทับ 2-01 เขียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล 1-98-2 ทสองตรอกวัดเสาคนแขวงบางยี่ขันเขตบางพระัตกรุงเทพหนึ่ง0ูวันที่เจมกราคม2535หเรื่องกาบเรียนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอาการอาพาธนมัสการหลวงปู่ร่าเคมาปัตโตได้ความเคารพยิ่งกราวกับผม ศาสตราจารย์แพทย์ประดิษฐ์เจริญไทยทวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพืซึ่งได้เคยรับความไว้วางพระราชอาจรัไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ดูแลรักษาสุขภาพและอาการอาภาษ์ของพระภิกษุที่ทรงคุณปัญญาอันประเสริฐดำรงอยู่ในสมณสูตอันงดงามเป็นที่ทรงเริ่มใสเจริญพระราชาศรัทธาอยู่เสมอมาเมียที หลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่โต๊หลวงปู่เทศญาณรังสีท่านอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่บัวพาหลวงปู่สามหลวงพ่อกเกษมเขมะตะเขมโกและท่านอาจารย์พุทธธาตุเป็นอาทิบัด น, นี้ความทราบป่าระอองธุรีพระบาทว่าท่านอาจารย์หลวงปูร่ราเขมปัตโต ว, วัดบรรพศคีรีในองเรศผู่เจ้าก่ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร อาพาเดรโรคหัวใจและไส้เลื่อนสมควรที่จะได้เข้ารับการตรวจรักษาโดยละเอียดณโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครทั้งยังทรงห่วงใยในอาการอาภาษ์นี้เป็นอย่างยิ่งด้วยทรงตั้งพระราชาหฤทัยที่จะทำนุบำรุงการพระาศาสนาให้มั่นคงถาวรเจริญงอกงามในแผ่นดินด้วยการสนับสนุนพระสงฆ์ผู้ทรงสมณะสรุปไว้ค้้จุนการพระาศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไป เกล้ากับผมทราบดีว่าพระคุณเจ้าไม่ประสงค์ที่จะเดินทางพักค้างแรมนอกวัดหากไม่มีกิจจำเป็นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเกล้ากับผมก็เข้าใจและเห็นใจเป็นที่สุดแต่กาณาผ่านนี้หากไม่รีดดำเนินการตรวจรักษาไว้แต่เนิ่นๆโอกาสที่จะหายเพื่อมีชีวิตอยู่สืบต่อสนองพระมหากรุณาสืบทอด สนองพระมหากรุณาในการพระศาสนาก็ย่อมจะไม่ประสบความสาเร็จสมดังพระราชหฤทยที่ตั้งหมายก้าวกับผมเองก็มีพระก้าวกับผมเองก็มีราชการค่อนข้างยุ่งมากในระยะนี้ไม่มีโอกาสขึ้นมากรานมัสการตรวจพระเดชพระคุณด้วยตนเองได้จึงกรานมัสการมาโดยหนังสือนี้ ด้วยทรงมีพระบรมร า, ราชองค์การโปรดก้าให้กระผมกราบเรียนนิ ม, มนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้ารับการตรวจรักษาอาการอาภาษในโรงพยาบาลสิริราชโดยเร็วที่สุดเกล้ากระผมจึงกราบนมัสการด้วยความเคารพหากพระเดชพระคุณตัดสินใจประการใดขอให้โปรดหาหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและในแพทย์ผู้มในการโรงพยาบาลมุกดาหารจัดดาเนินการ ซึ่งจำนักราชเลขาธิการและเกล้ากับผมจะได้ประสานงานใ น, นในโอกาสต่อไปโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ต้องกราบเท้าขออภัยมาเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ด้วยโดยเกล้ากับผมขอกลาบเปลี่ยนสัญญาว่าจะอำนวยความสะดวกดูแลอาการอาภาษของหลวงปู่ในครั้งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เกล้ากับผมจะทำความจะทำ ขาวายสนองพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำมัส ก, การด้วยความเคารพยิ่งประดิษฐเจริญไททวีในแพทย์ประดิษฐเจริญไททวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหนังสือตาของหลวงปู่นะคะจากวันพฤธ จากวัดบรรพศคีรีนีงเรศผูเจ้า ก, กอวันที่14มกราคม2535เจริญพรสตราจารย์ในแพทย์ประดิษฐเจริญไททวีที่นับถือไว้ในพระพุทธศาสนาจดหมายนั้นได้รับวันนี้ก็ต่อวันนี้รู้สึกเป็นบุญอันร้อนเหลือไม่มีประมาณ และก็รู้จักความหมายในจดหมายทุกประการแล้วเมื่อพิจารณาให้ถี่ทั่วแล้วก็เท่ากับว่าทรงพยาบาลรักษาให้โรคทั้งหลายหายหมดแล้วเพราะทรงพระมหากรุณาเจตนาดีแต่คำสัจจะอัตมาภาพที่ได้ตั้งไว้แน่นหนามานานแล้วเทวดาทั้งหลายทั่วทั้งไตรโรคธาตุคงจะคอยมองอัตมาภาพว่าจะรักษาคาสัจไว้ได้เพียงใดที่ตั้งคาสัจไว้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในเรื่องคาสัจ เทวดาท่านผู้ใจสูงก็คอยจับพิรุตอัตมาภาพว่าจะมีคำสัต์จริงแค่ไหนพระเจตนาของอัตมาภาพเราก็ไม่ได้นึกแห่งโทษตนเองเลยเพราะได้พิจารณาแยบคายในส่วนตัวแล้วเป็นสัจจะที่ควรรักษายังมีความภูมิใจยอยู่ที่รักษาสัตไว้ที่ตรงกับคำว่าสัจจังเวอมตาวาอมตะวาจาคาพูดจีมยมคมพูดที่ไม่ตายดังนี้ระีกประการหนึ่งไม่ได้หมายว่าจะเป็น พวงกุติวิหารและวัดวาอารามจนไม่ไปนอนค้างคืนในที่ใดเลย ไ, ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความแต่เพียงว่าจะไม่ไปนอนค้างคืนในโรงพยาบาลและผ่าตัดใดๆเลยเพราะมีความนึกเข็นเป็นพิเศษว่าเราเป็นพระป่าพระเขาไม่สมฐานะจะไปนอนโรงจะไปนอนในโรงพยาบาลให้กีดขวางท่านผู้อื่นและก็รู้จักประมาณตัวส่วนครูบาอาจารย์ขอยกไว้บนกล้าบนกระหม่อม เพราะท่านไปที่ไหนท่านก็ทำประโยชน์ในที่นั้นให้คุ้มค่าส่วนอาตมานี้ไปที่ไหนเห็นเห็นหนักส่วนอาตมานี้ไปที่ไหนก็หนักที่นั้นไม่คุ้มค่าเพราะคุณสมบัติของคนไม่มีของตนไม่มีจำต้องเป็นตัวอยู่ตามประษาแม้จะไม่มีท่านผู้อื่นแห่งเพ่งโทษตนเองเพ่งโทษตนเองตอนไหนอันนั้นจะร่วงละเมิดไม่ได้เสียชีพดีกว่าเสียสัตว์ เสียชีวะประวัติเสียชีพเสียดีกว่าความเห็นชนิดนี้มิได้ไหมายความว่าจะตั้งไว้กระทบกระเทือนชาวโรคทั้งปวงว่าตามวาชนาบา ร, รมีของตนต่างหาชาวโรคจะกล่าวตู่ว่าโมหะสัจจะก็ยอมรับข้ออื่นยังมี อ, อีกนิสัยของอัตมาภาพเป็นคนวิจารณ์มากวิจารณ์ว่าองค์สมเด็จ พ, พระบรมศาสดาชั้นหมูง้วนของนายจุนทะกับ มารละบุรแล้วในวันนั้นก็สัตเสภเนจรทรงเสด็จถึงเมืองกุศินาราในวันนั้นพระแรมอยู่ที่ป่านางรังอันเป็นทางที่ต่วนออกของเมืองกุศินาราเราของเมืองกุศินาราที่เรียกกันว่าสาระโนทยานป่าไม้สาระแปลเป็นคำไทยก็คือป่ารังแล้วองค์ท่านจวนจะสว่างในวันนั้น ท่านก็สิ้นโลมปานเข้าสู่อนุปฏิเสสนิพานไปซะสาวจะแดงเห็นว่าองค์ท่านเอาป่านางลางนั่นเองเป็นโรงพยาบาลอีกประการหนึ่งองค์หลวงปู่มั่นองค์ท่านก็เป็นโรคฤๅษีดวงทวารหนักก็สิ้นโรงการไปพร้อมกันและก็เป็นมานานด้วยไม่เห็นองค์ท่านต้องไปไม่เห็นองค์ท่านไปโรงพยาบาลที่ใดๆเลยอันนี้อาตมาก็เอามาคิด ที่ปรปารบมามากก็เพื่อสอดแสดงให้เห็นเจตนาของอนตมาภาพที่นึกหวนเห็นไปต่างๆตามาภาษาผีบ้าก็ว่าได้จะถือว่าเป็นโรคจิตและฟุงส้านก็ยอมรับที่องค์สมเด็จพระบรมมหาราชาทรงพระกุณาทรงพระเมตตาอันหาประมาณไม่ได้นี้ก็เป็นของหาได้ยากในโรคนี้และโรคอดีต โรคอนาคตด้วยขอให้ในแพทย์กราบถวายบังคมทูลได้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงทราบด้วยข้ออื่นยังมีอยู่อีกทุกวันนี้โรคหัวใจก็ดีโรครูกมากโตก็ดีคุณหมอโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นท่านก็เมตตารักษาอยู่แล้วตามสติกำลังแต่ไม่ได้ไปนอนค้างคืนในโรงพยาบาหลหรอก ท้ายแห่งการปรารพมายืดยาวนี้ด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันแรงก้าอันแรงพระคุณค่าไม่มีประมาณและก็แรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และผู้ไม่รู้เมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท้วนหน้าทั่วทั้งไตรโลกาจงได้รับแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทินจอดจอดหมายด้วยความนับถือไวในพระพุทธศาสนา อยู่ยั้งยืนยงเพื่อทรงธรรมอันไม่ตายแลพระราเขมัดปัตโตปรอได้มอบหมายให้พระนำเรื่องการนิมนต์ของท่านและการตัดสินใจของอธรมาภาพไปหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและท่านผู้ในการโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วจากวันพิษวัดบันพฤคีรีนางได้พูเจ้าก็วันที่25มกราคม2535 จเจริญพรศาสตราจารย์แพทย์ประดิษฐ์เจริญไททวีที่นับถือไว้ในพระพุทธศาสนาเรื่องการป่วยของอาตมาภาพเป็นหน้าที่จะได้ประรบได้ฟังพอสังเกตว่าเพื่อบันเทาความห่วงใยต่ออาต่ออาตมา 1. โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านก็ได้เอาไปตรวจหลายครั้งแล้วและท่านก็ไม่ได้สงสัยในโรคโรคหัวใจโรคไส้เลือน โรคลูกหมาโตโรคถุงน้ําดีเป็นนิ้วยังมีโรคภูมิแพ้คันหลังอีกโรกระเพาะท้องผู่ทั้งร้ายเหล่านี้รวมความว่าผู้คณะคุณหมอโรงพยาบาลศรีนครินในแพทย์นพดลทองโสพิษในแพทย์วิรัตครังบุญคลองในแพทย์เชิดชัยอันตันติสิรินในแพทย์พิศารไม้เรียงในแพทย์วัฒนาสุขขีภัยสารเจริญแพทย์หญิงมริอาจารย์กุลแพทย์หญิงกนกรัฐนันทิรุษ ในแพทย์วารอบเหล่าภัยบู์เป็นต้นท่านคุณหมอทั้งหลายดังปารอบมานี้ท่านได้เมตตาเอาใจใส่รักษามาเป็นเวลหาหปีแล้วสองอันคำสัตย์เทตมาภาพตั้งไว้นั้นเป็นของสำคัญมากซิ่งสิ่งอื่นไม่สำคัญท้ายนี้ด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันแรงอันทรงพระคุณเล่าท้ายนี้ด้วยด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วย ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และผู้ไม่รู้เมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายอย่าได้มาเกิดแก่เจ็บตายในสัพพโรคทั้งปวงนี้อีกเลยตอ่อจนไม้ด้วยความนับถือไว้ในพระพุทธศาสนาพระราเขมัดปัตโต้ียบไปหาร้อยขาธนุขาทะุหนึ่งสี่ศอหาร้อยขาธนุเป็นยี่ชิพหาเสนไกลวัดไกลบ้าน 4ีซโกดกระเป๋าเดียวมันด้แพ่ไพ่เลยนะนั่นซีโกดกระเป๋าเดียวมัไจ้แพ้ไพ่ลเนี่ยมันมีซองเขียวซอขาวายพันนะซีหาโกดกโกดนึ่งมันมีลาดหนึงมันมีซิบโกดเอาซิบตคู้นซีซิบหาซีบหาซีบีหาเอาอืมซีลอยหาซบาแม่หมออันนี้บ ในโลกในสี่ร้อยหาสิบล้านกระเป๋าเดียวพูดได้สางยักเชียะนะร์ดีสัตนะเอามีพอมาฝันพ่อละเสียงดอพ่อไอ้ม่่นั่นเอา น, านังบริทขากระสางทั้งพุนพ่นผู้เดียวยี่สิเก้าโกดเอากระเป๋าเดียวละบุปผาล่ำบุปผาล่ำเป็นปลาดอกไม้เ ข, ขานั่งเวิขาเขตตะวันมหาวิหารไปซื้อปลาแต่ก่อนวัดปลาได้เกิดขึ้นนี่ข้อท่าร่ามกับแม่นวัดปลา ป้าใม่นี่โคตรป้าใหม่นี่โคตรคือป้าใหม้ให้เขาเนี่ยอัจฉรายะเลเนี่ยโคตรไปที่อยูนะ่นอัจฉรายนี่นี่โคตเป็นที้ยู่ของคนเลี้ยงแพะนะก็คือกอกให้เข้า ใ, นะใจบ่อืมเข้าใจบ่เออนั่นนะ่ะคนวัดปลาเกิดขึ้นที่หลังอขาสะเกิด ว, ว, วัดปลาเกิดขึ้นก้อนอนะบ่เอา้ากูด่าข้านปลามาหาวันกับวัดปลาเ อ, าอ้าจะวางไหน ไม่ร้วนสวนไัยพัยของพระเจ้าพิเภสารถวายกับวัดป่าเอา้าเอาเอเกิดก้อนมูแล้วเนี่ยเอา้าแล้วก็รัดที่วันสวนตานุเหมันกับของพระเจ้าพิเภสารเอานั่นอาป่ารีนั่งป่าไม้บางงวงของนางมัลเลกาเมียพระเจา้าวัตเสีย น, นกับวัดป่าทั้งนั้นน่ะวัดบ้านมันเกิดเกิดที่หลังท่าเนี่ยเมื่อบ้านมันหงุดหงิมากก็เลยเรียกว่าวัดบ้านซะตัวก บ, บินละพัด กวาดปลาเอา้ากุดาข้านปลามหาวัน ก, กวดปลาเอา้าขพระเจ้าเอา้บญญ า, าบรัตทีข้ญญาบดกับบรญัติปลาวิประชิดอย่บรญยัติยูฟูเขาคิดจะกูดเหรอนั่นตัดปลาออกแล้วพระพุทธศาสนาพระพุทธแลพระไตรปิกแต่เลยม่ ล, ม, ล ม, มีปลาอยู่ทั้งนั้นนั่นคู่หนึ่งผู้ว่าอาจารย์องค์หนึ่งมหาเจตประโยค มาหาเกียิประโยชน์กับมาหาผาเขาเนี่ยแล้วครับข้ามุปป่งนี่มุมนนี่มุ่นไปไปไปพัดซุมไปพัดซุ่มพตายได้เนี่ยนี่ม่นไปพัดซุ่มบุฟักกับทหามไปนั่งเอาขอหาไปนั่งผลผลาเก่งแคนหลอกหลอกหลอกให้เขาตอบว่าเขาโง่เขาอยู่่า แต่คนจริงคนห่างล้องเข้าเื่อยหรอกวันคนเข้าใจยังไงเข้าจะตอบไปยังไงฮะคนวางท่นอกคนบอกกาที่ตลาดนี่คนวัดปลาเนี่ยเขาสิุบมันแะดอกมันปกครองง่ายสถาปนาเดี๋ยวแก้วบางคนล้มกลวงแก้วลูมงแก้วยังโมติงมนี่จะผาพู้ใหญ่ก็่ตัได้แดี๋ยล้มกลวงแก้วตัวนล้วงแก้วแขีอกมาตายหยุดโรคหัวหน่าลโรคหนองแข็งนี่พูดหน่อ เจ้ว่าสบายอยู่้ปูมนมีกัสูบยาสบายอยู่น้ปูนี่มาอยู่ดีได้ของงาอาจารย์ทิชท่นงองู่บันหัวไสาอาจารย์ทิชชกันภาษาแก่ก็โตด้วยเดี๋ยวบางหันบางหนี่รเห็นผู้ใดไว้ทังได้ให้โก็เรียกว่าโอ้ยขอโอกาสพระเ ด, ดทุกคนนะขอปากก้อนเจา้าก้อนกวนทุกคนเมื่นาทีของของขาหน่อยเราค่ะท่านเม่อนาทีของผู้บ่าอาจารย์ทุกน่นนะ จะเพล่นทางเห็นวายังในคนเขี่ยวมากสะบายเลยวะขน้อยคนขี่เลยหลายขน้อยขอตอกรวะาต้โ้อขานพเดชพ่อคุณสีบว่าให้ยุปาท่าให้ยุสายขันตัดปาออกแล้วพระไตรปิฎก ค, ครบขน้อยวะอยู่อ๋อให้ยหุมาจากหามาเศร้ามาจากเศร้าจะไปเศ้ากบไผ ข, ขน้อยวะ หายุ่จักสาวันนะครัว่าหายุ่ไปโดอไกมันปกคล้องหนักผักนะครับกกรรมฐานปกคล้องหนักคนเราองค่ะเขาตอบว่านะเขาตอบแล้วยกเมื่อพร้อมคนพวกหายุ่ปลาจะไปยุ่ใสขน่อยเลยคนที่ห้มากขอโอกาสนี่ที่ห้ขอจังไรที่หาเต่ายัวสันนะคนวันไหนเมื่อเป็นตะยูหาหน้าที่กับวายุได้ขอหน่อยสันคนวันไหมันพอจีเป็นตะยูยูความมัอตายได้ขอหน่อยวะเพราะคนที่เาห้ามว่าหายุ่ปลาก็ห้ามเป็นจะเพียงว่า ทำว่าให้จำภาษาเนี่ยก็ชอมผีในกดแน่ฆ่าแน่ตุ้มมันบันไดว่ามีทับเนี่ยไหวว่าให้จำภาษาบันไดมีเฮ้พะเว้ยให้ขอน่อยวะอขันมาสันไม่บวดกับประธานมาสันผู้ใดบวชมากับว่าไม่บวชกับประธานวะเผ็จทุกขมาสันสวเพโอกาสได้รายสัตว์กนกมือยงสีเด้อเขียงแบบแบบแบบเข้ารอบวันเห คนก็ให้บวชกรรมฐานสี่บวชยังไงคนหนึอยว่าเกสาโลมานะขาดันตาตะโจบอกกรรมฐานวะ่ะมหาเนืกายกับบวชกรรมฐานนี่วะอันส่วนที่ปฏิบัติเอาหรือว่บวชปฏิบัติเอามันกับเรื่องของขุนวะเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังสี่ห้าข้อเนี่พอแล้วเพราะเวลาไม่พอจึงไปศึกษาอีกเวลาบวชมันไม่พอมันมีเวลาน้อย กบวนกรรมฐานในเกสาโลมาสข้าท่านตาตะโจขันสยุบกรรมฐานหรือยุบจังไหนขอหน่อยวะสันว่าสยุบได้เพราะสันก็บอว่าท่านนี้แล้ววาสันพระสิบัญญัติบอบัญญัติว่ากรรมฐานก็ไม่เกิดแก่เก็บตายเวรเกิดไม่จะกรรมฐานมันว่าสันเทวังสิในตจโลกธาตุเนี่ยก็ม่จะกรรมฐานมันว่าันลูกขันน้ำขันแก้วไกลมากรรมฐานวะก็เกิดขึ้นแล้วไปปวดน่แตกสลายก็ไม่จะกรรมฐานมัในตโลกธาตเนี่ยวะขันยุกกรรมฐานจะิดไปบวชจังไหขอน่อยวะตัวลว่างสิละข อมเอกให้มันไปเฮ็ดกระตับกระแจอยู่ในปลามันให้โจนให้พวกไรไปยูให้ขโมนเรศไปยูสงสันพว่าเออมันเดือดรอนบ้านเมืองสงสันโอ้ยพอดีกคนเลยนั่งกระชิกระําให้นะกระทำเสียงหน้าเขาหมุนไปปมากของเขาบัดเสียไหม้ขาถือสั้ว์ผาเขาอแล้วขาเราว่าที่เขาน้อยว่าเขาแก้ว่า พวกข้ volta, study, มันเน่พอกโจรพวกผู้ร่ายอะมันอยู่ในป่าในเมืองในมันอยู่กรุงเทพแท่งหลายมันอยู่หัวใจมันหันว่างสันตัวว่างที่ม <zers> ันมาเด้อยู่บ้านอย่เมืองในหัวใจมันขวอยว่าหัวเน้่ยข้เทาตอบือแบบหัวหัวหยิบผกหลายเนี่ยสักสองหลอยนนะับแล้วของไปโยปามันรวยสันพระองค์หนึ่งพระอันพระนักเรียนน่ะมันรวยไปโยปลาใช่ มันสีลวดอย่างมาจันมันก็ลวดจะมาขีหินนะแล้วว่าตําอกรตินจะว่าพบดเดีวนี้ว่าก็ลวยแล้วลวดไข่หอไข่หออักหวานกินมาันร์ไข่หอพักหวานหน้าพักหวานหนามมีพักหวานกับบรวยวดก็ยูวัดผิดตลว่ามันลวดมาจันก็ใสเกืบสนสูงมากเลวก็มาทรงเพร่งทรงจังหันจะแค่จะแค่จะแค่ขมาวะอืม กอยุฟุต <blond> ม <omi> ันสียระสีแตกนี้ยังว่าสันเีวเาวนิดจะพัดกับป้านั่นวะอันนันมาีมีจะพัดนี่ยังก็บีแข้งเลยนี่จะพัดวะแต่บินทบาทเขาหาก็ได้กินเขาไม่หายเขาไม่ได้กินว่าสันผู้ยุบปามันถือว่าตายยังว่าสันเดียพระองค์นั้นเป็นพระนักธรเอกนั่นงอหลุกลงคอตอสิรลุดอันพนจะคุณน่าวยำยมอยู่ นี่พวกมักบมิูยมัดันเน่พวกกรชจริงท่อพวกคุณยาก็โตตกล้โตแล้วเลยปากก้อนเจ้าก้อนขวนโยมันโตไปคนแต่หอนี้แล้วมันพูดไก็ซื้ออยู่คนบมาไม่พูตอบจะพคนโอ้ยขอโอกาสปากก้อนเจ้าก้อนขวนกอนก็ว่าตแล้วฟาดกันซะตแล้วเว้ยหัล่างมันซืดอกพ่่นมันสิตอบพมาจังไหนครับท่พระรามันสิเจียงปนไอพวกนี้พ่นพระาครับแกล้เหรอ เออ่าันไปอยู่มันจึงจักขีดตเอนี้ยังว่าวันที่ว่าถ้าไปแทะพนเพิ่นเพิ่นรอให้โตอัานอาหารนที่ประทุกันซืยอรอกเพิ่นปัญญาเพิ่นเก่งในเพิ่นงาเพิ่นเหนียตโตอยู่โตว่าจะซื้อเพนาเพิ่นพ่อเด้เพิ่นหาเอาไวาให้อตอบห่อจิบอานหารตับตามข้พเก่งจะของของจังไหนวางสันหังเดอเพราะจะซือเพิ่นงอห่อเยอะแยวเนี่ยือว่าเพิ่นลองหจะซือได้เนี่ยต่อเพียงเพียงเพียงลวแล้ว เพื่นถามให้ตอบไปยังวัจอบตอบว่าตอบได้บอกคนถามว่าบูได้ก้เกิดเนยพระพุทธเจ้าเกิดยุปรารับสรุกิดยุปาลนละบงอายุสังขารกิดยุปาเวรร้นชนในไท ย, ยนี่ผ่านนนี่่านย่ปา์นั่งหั่งทิศตะวันออกมณี น, นาราก็ทอดสะพานป้าไว้ให้รุ่้หรานเช่งนั้นเออ่าพระไตไปิกเ เสลี่ยมเลยเหลีหล่มยมนี่นปลายมัดกระตัดปลาออกแล้วกับพอใจไปเราประกอบวัฒนธรรมซื่อจำพรรษาในเทนาฐานป่าใช่ไหมถ้าก็ะพูกขึ้นที่ฮะเนี่ยถ้ากพูกขึ้นไปไววเนี่ยถ้าอรัญญาวาสีอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าอรัญญาวาสีพินาศลงคาเมวาสีจะอยู่ได้ลือ เราก็วางเช่นแล้วกันเราก็เหมือนวัดมุ้ยสุดทิ้นตระกูลพุทธวางเช่นแล้วแม่นี่นิ่ไหนอ่ะคนล่องยกวัดปลาบวงรูง้นี่วัดบ้านกระยุเบมนอะไรต้อยไปนี่อย่าถือว่าฟุกแล้วเป็นจีทั้งรถทั้งเรือเขาหิามาั่งออกกับตั้งกฎหมายใหม่ขึ้นกันนั่นแหละเอาเขาวางไหนส์นะข้าก็อ้างไว้ ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ล้วก็วางสิแล้วเอาปนัญหาเนี่ยทำมีเกติย่างทําให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายดีเรื่องเอาปัญหานี่ทํามีเกติย่างหนึ่งมันประชุมกันยังนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมแล้วเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงคยกันทำจิตที่สงจะต้องทํา สามไม่มนญัติสิ่งที่พระที่เจ้ามันมัญหยาดขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงมนญยติไว้แล้วสมาทานศึกษาอย่ในสี่คาบทตามที่พระองค์ทรงัญหยาดไว้ข้อสีพิกษุน์เราใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือพิกษุนั้นเชื่อฟังถ้อยคําของท่านข้อห้าไม่ลู้อนานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นข้อหกินดีในเสนาสนป่าเกตตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนพิสูจสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาส ขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้มีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนั่นพระพุทธเจ้าผู้สอนออกจากปากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ใดสิมาแป้งขึ้นเอาไปหาญาทําเจ็ดอย่างอยู่ในท่าหมวดเจ็ดพวกนักท่าตีไปพักกันไปเฮี้ยนทองจนสิปาก ส, สี่สียกไปยังจั ง, งบกคืดเบิงวางเสร็จแล้วเอ๋อเรียงบง่อลงหับวบว่อสดมันมีอยู่ในขังพระเจ้า มนนี่วะพระเจ้าไปะไหพระองคหนึ่งหัวโมโบสถมันเป็นปาราซิคแล้วมันบ็ซิกมันมาหมักมือย่หันพระพุทธเจ้าแล้วบมล่งโมล่งหันโมล่งอมโหสถนําคนโมโหสุดมาอยู่นี่คนโมล่งนั่มมาจากโมโหสุดโมหมันพิกษุเป็นปาราชิกก็ดีพิกษุกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก um, ็ดี re, um, ถ้าพสซูใดไปร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องภาฮากาตีจะทำสังฆกรรมก็เป็นอันไม่ทำเรียกว่าสังฆกรรมวิบัตินะนะพระพุทธเจ้าเรีวบวัว่องวัวหองอุปโภสถน้ำกันมันไม่มาได้คำพระเจ้าดีน่อยพระพุทธเจ้าใส่ยืนตลอดแล้วมแก่เรเล็กแก่เราพุทธชัยพุทธชัยยาวนี้งยืดมใ่อยโตๆไปหลายๆ เอไดูทั้งหมต้องอาวัตนอวัตรทุกเกมันเที่งกันทัหมดยังเข้าใจเเอาละมันสิแสดงอวัตรเจ็นี่สิถามปะหาแม่หมออ๋อุสังั้มดเราอยากทำสัาราพในแสดงอวตรรเป็อาวัตรเราเป็นเดีเป็นใครก็เป็นสภาพอาวัตรกไปทำสัสามดเราอุ้งโง่ต้องทลขาอุ้งโง่ทำไม่ท หรือเอภาพารากาการที่เกียงยาของพระนิทุรศมรกลับที่สุดลลูกไปดีมัดมร์ฉันแห่งสุขภาพค่ามัดไว้อย่างนี้เพื่อเป็นอาวัตวัดัวถุเดียวกันถ้าปรับของกันเป็นอาวัตรทุกขกพอรับแล้วเพื่อนให้แสดงอาวัตรทุกขไว้ที่หลังซักแสดงได้ดวโตรดาวเกิดหวัดเหาะชุรียาวลำเมือกจะทนไปกระเดงกระเขาอยู่มัดแสดงอาวัตร มันแสดงอาบัตมาจริมั น, มมนมต้องแสดงกุโโตอาจจะไปทำาอยู่พิกสุรับเองก็ดีในขอดีบนอนเนี่ยน้ะนใช่ให้ผู้อื่นก็รับก็ดีซึ่งทองแรงเงินหรือยินดีด้วยทองแรงเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนตรง น, นี้ได้เชียร์บัญชีพิกสุรับเพื่อเป็นของสงฆ์ไม่เป็นอาบัตไม่ได้รับเป็นส่วนตัวหลวงปู่ไม่ยอมเป็นอาบัตเน้อเพราะเงิน<อ>บาทถึงไม่มีนี่นีนี่เหมือนกัน นั่นเรื pa, whatever, s <S ่องนี้ก็ผมพาอกอยู่ัไบเราเฉพาะว่ารับไหเพื่อตนผู้ที่มาวัดีรับเสมรกคนเดเาว่ามหวไปชดช่าีช่าอยู่โน้บุญชดจะทมัีบีครุบ่อบุญผักบ่ทุก์ประากตามนันก็บ้านบุญดแล้วมันก็บ่านบุญดแหละบ้านบุญชดล่ะ พลข้อนเอาสวยงามไปโลกอวบสดน้ามิเที่ไวบสูดตายยังไงเนี่ยชั้หมพลข้นพล้อแบบเอายามเป็นว่าญากิวิจกรผ้ายไปนึงจับออกมาให้ได้เจ้าขวามหมดผายไปนี่อแข่ันเหรอนายอาบัตเกิดช่างใจแต่บอว่ทีน่ายตอบน่าสนามหลวงขอนักทับโทษก็ดีนักทีก็ดี อาบัตเกิดขึ้นทางใจหรือไม่ข่าล้อจิตอบออกคาะเนี่ยก็ตอบว่าอาบัตไม่ได้เกิดขึ้นทางใจให้ห้าวตอบเรียนห้าวตอบคือเก่าเลยห้าวไหมว่าปฏิบัติเอย่างห้าวเป็นเทน่าอุทิกาได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างอาบัตต้องเกิดทางใจเพราะคนตายล่วงละเมิดอาบัตไม่ได้เราสือว่าสุดก็พิกสุที่มีชีวิตรักษาอยู่จึงล่วงอาบัตได้ ถ้าผิดรู้ตายแล้วจะล่วงอาบัตอะไรล่วงก็ล่วงไปแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเมื่อตายคณะที่ตายนั้นล่วงอาบัตไม่ได้วางอะไรพระเวไนยไม่เกิดด้วยจิตเป็นสมุทฐานครับถ้าไม่มีจิตจะปฏิบัติพระเวไนยยังไงไนได้ล่วงผิดอะไรก็จิตเป็นผู้ผิดหลงธรรมก็จิตเป็นผู้หลงไม่หลงก็จิตเป็นผู้ไม่หลงลืมก็จิตเป็นผู้ลืมไม่ลืมก็จิตเป็นผู้ไม่ลืม ผู้ที่ไม่ตายก็ต้องเกิดในทางคิดทางนั้นเราเสียต่อบางที่ห้องมาเดีตอบน้ำอันนั่นแน่นอนนี่งุมไหนี่ชีิดตว้งงุ่มไหวว่า้าว่าัใจของฉนชบตอว่ามีทุกอยานี่ดีก็ไดก็ทิ่ดีก็ก็แต่ก็ผงคงคิดใใจผมขึ้ใจเนี่ย ว, วาา่ า, า, าวการที่ดีจะมีชุบต่อบ คนว่าห้เินดีนะปัจจัยที่พูนานให้งงินดีในยุวันบินทบ า, าด่ไสณานเด้กเพื่อที่อยู่พูดจะไปยินดีในตัวเงินพลางสี่งนั้นินดีของคือยินดีเงินยนงินเงินเงินคือดีของขวล่ะคนเพราะเงินมันก็ม่จากของของไม่จ า, า, า, นานต ก, ตงกเนนงินว่าบ้านเงินตรงๆกับเป็นแนวนึงที่ว่างเลยสเงินก็ผู้หญิงกันเดียวกันเท่าไะ พูดยังไงจะไปจับเขาจะไปพูดเกี่ยวเขาย่าไปเถียดแม่ถุนเขาจะไปจับต่ อ, องเขาแต่ใส่ให้ให้เขาอันใส่บาทได้อยู่ว่าจะจะไปจับเขาเขาใส่บาทคนได้อยู่นั่นอันนี้คือกันละ่ะเข้าวัาสดเปลี่ยนอวัเงิ้นงั้นพอเข้าบริเก็บไปเพื่อตนเน่ะเขามาให้เข้าพิเศษเท่าละหมืน่นสองหมืน่นเขา ก, ก็ บ, บ่าเอาไว้เลยทวายร้องปูุเลย ตามอัธยาศัยหลวงปู่จะใช่แต่เขาเอาเทกมาท่านเท็กสามื่นเาก็หายเขาออกใสสวนวัดถ้าประโยชน์วัดถ้าประโยชน์วัดวอะไรนังเงื่อนสวนตัวเขาเข้าหลูกสารเข้าก็บหจงีามมันมากเงมันมากกลับบ้านขับมมึมีเงือนเข้ากบมันกลับบ้านคขาขดทเขาก็หายไปซื้อให้ซื้อน่าซื้อหัวซื้อสวนได้เขาเฮ็ดกันจันยมอุปถากมตีเข้ามันกับตีมัทเธอเกี่ยวเนี่ยพระโจมตีเข้าก็ตีมัเธอกี่เีย เอาตัดไม้จะระยะระยะแต่ว่าฮ่าเฮาประจําก็ปีละลอยสบับเขาเป็นผูบอกเขาเป็นผู้เสียงเขารักษาห่อหลวงปู่สิไปบไปเจ้าประแยงคนตามผิดยังไงแนนอนให้เขาหุงจับเําะเขาตอบวาตัดไม้เขาตอบว่าผมมีความรับรองเฮาเขียนไปผมมีความรับรองจับเอกสาราอเอาเฮาผมมีสักอันคือเขากาวตัสมัยว่าสมัยในในเในล็กใผ้าใบัดรในเบอร์ น, น้ำหลงวงปู่าั่ ล่องสีมันจังรุ้ยวะวันล่องสีมันได้สองล่องแล้วเดี๋ยวนี้วาสันล่องสีมันได้เรียกแต่ฟ้าในวัดใเบอลวูกู้ได้เลย้นไม้นี่วะสันได้ยังได้ตะขีเลยวะสันกูไปเชื่อไปกินไปท่านนี่ันนี้มัดตะขบลานเรได้วะสันลบกูให้ให้กูวาสันมอขามาอัที่มอคขามาที่แรกมอเขามานี่ยฮาฟีละต้นไม้ต้ไม้ต้นไม้ตัวอะไรเรียวะโอ๊ยมัดลายล้าน่ะลกูว่าสัน เพือนำพักไม่ยอมเดี๋วยาวาะล่อกาะนเพื่อนำบาเอื้อจล่ออาะฉันโอ้ยจะไปเรียนแม้เซอรเพราะฉันบไอ้ชิ้นาเป็นมนุษย์ได้บัดตรงโตให้หลวงปูป่บ่ได้ต้องเสริมไะเว่าะฉันหลวงปู่เขียนใส่กระดานเอาไว้เน้คยโค้ ง, ง, งตาแตกบ่มือนี่คือว่าโตจะไปเฮ็ดเพานโตันทุ่นหลายยุฟันนีน่ว่าะนขั้โตเศ้าเรยเรีย้าเรยบาเนเบอักสาิปีวงู้านขัดโต กูพี่อ้นพ่อชายพ่อชายโลเาสอาปากว้า่าช่นเาสีอาอาปากว้า่าช่นโตไกมากขี่สปาเข้าหงำมันงุมไวอย่าช่นปินดาว้าขี่สปาเข้ามาสั่เข้าสีอาแล้วคือเมียโตไก้งุ่มหิ้ไาขี่สปาเข้าอย่างไรวะเข้าจะเกิจิตวัจะลูกโตเพิ่นวะ เฮ้ยขราวเหนียวองปนั่นขอนายก็เซ้าเหลียวอาจัรมันก็เลยเซ้าพาเนี่ยมันเซ้ามาในร่งสีอีกสองร่องอะมีร่งสีร่งหนึ่งลวบาทมันวาสีเข่าได้มือล่ละสองล่อแล้วสองพันครับหารอยกระสอบสึงมือเมื่อขื้มือหนึ่งขึ้นหนึ่งมาท่นบ้านนี้เสียวอีกจักโร่องมาท่นข้าเหาอีกร่องนี้ก็เป็นท่นไถ่มาท่นไ่ใช่เป็นขี้าของเรามา่น เดี๋นี้ยังหาเงินเขาอยู่วาสันจะสัตวท่าเก่งสะได้หรอปีหนึ่งสองปีนะหมําำนีำ่สามปีโอ้ยคนมากกระถินนี่อยากจะไปเวทดกได้หรอลวกผู้ว่าเขาน่นอยจรับเองถ้าคนน่ากระถินนี่จะใช้บัรับกระได้แล้วสันคขนอ้อยผู้เดียวเรื่งอาหารเรื่องเขาที่รับคนมือ น, นึงวาสันหมอเก่ามากอี๋เร่งอาหาร เอาทิพม่มาเฮ็เนี่ยสิ่รับคนณแต่เมือนึงทั้งอาหารทั้งเขาสองเมื่อสามเมื่อไหนแต่มอรับอะคุณแม่แก้วมอสเอาไปเมื่อหนึ่งรับคนไแเมือหนึ่งคุณแม่แก้วใจนักเล่นแม่มอเนี่ยแต่ว่าเอาเอาอี๋เลยแล้วพ่อมันเสียเรียกร้อยังงมันลกเงพรานี่มันก็พได้ยอดเรียกดอกมันได้เยอะสมอแต่ยอดขายเขาพราะนี่เขาเขาน้อยมันเป็นจ้าบุญจ้าคุได้ลงปูว่น สัพพะเทตนำพระพุทธศาสนามาเนี่ยะมูฟนิเดชสีคนนา้นใครสีฮะต้มอยู่หาจีกองแต้มอยู่วานของพันดานีอ่าสั่งเป็นจ้าบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้หลวงปู่อ่าสั่งมัวแถวอีกจักโลกสักฟจ้าชีวิตมีวาสั่นเดียวนี้มีนั่งแขพออยู่วาสั่นมัวโอ้ยจำัวเนาะสั่นจำัวพวกเขามานี่กับน้าผานี่สิเดือคือว่าพระธาตุรนี่วั่นนั่นเอะถ้านี่ยร้านเขาเพิ่งมาเทียงเข้า ว่าเอาคักๆแหละมันยังได้เงินดิหลวงปู่ฮามันไดเอรอันคำว่ามันเสียมันสีได้เฮ็ดอย่างพันนะเขาเอาคักๆอ่ะเวเานีกูจับขีดำนี่อยู่ด้วยวะสันข้ามาูว่าสุรเกลวะผมนลุงมรานาสันโเดี๋วบออัตมาผ่าปนัดแทบยังหอกว่าวมาอัอตมาภาาแล้วมันมูจะผ่าจะผ่ามยอะไรกิบอะไ้วะ ปูมันเป็นน้ำใสกลางคุนคอคืคอพระเจ้าพญ า, าพิม พ, พิสารฝันเห็นน่และวาน้าใสกลางคุ้นคอคือคิดใจเป็นท่ามือท่ปากว้าบมัมวนพัพุทธเจ้าแก่นา้าใสกลางคุ้นคอกน้าใสคอคุน้นกลา ง, ลงาว่าจะว่าให้ทั้งโลกเอาเอาเซ่ยงนี่เกาถนะปากเกียยวว่าเป็นนอนเว้นเราบะมวนจ้ากบอกี่กประหารก็นอนะมบอก วาเกี่ยงว่าเป็น น, อน่องเว้นวรามว้วนน่องผีไปหันน่องจะทั้งใจเหง้าเป็นถ้ำแม่บอกนั่นนี่น้ำกระใสทั้งกลางทั้งข อ, อกกระใสว้ากับไพร่สะเนาะสดควมประพสตวบป ร, ะ เ, ร, ะ, เระเพสก็ดีทั้งกลางกับคุณทั้งข อ, อกกับคุณควบว่ากับ่ามวนทั้งนอกกับว่าเป็นถ้มทั้งใหกับว่าเป็นถ้ำอันชั่ว น, น้าใสขอก คุณขอก้ยกลางเลยยิตใจเป็นท้ำมาสั่งควบเม่หรือมารยาดว่างกับล็อกภูมหาเด้อคนหนึ่งสันผ่านเนี่บอกว่าสันคนที่เราดีนั่นแหละจะไปถามยังเบื่อเรียกเบื้องโดลูกหนีโรดตัวสันผ่านบอว่าสันลูกหนีโรดเนี่ยสัเฮายังเงาอยู่โอ้ยมันมันทเราสันนี่สี่เฮายังบอกล็อกภูมหาลูกหนีโรดเด้อเข้าดีใจอะไรอาเงยเสมอนี่ยเขาตายข้ามขึ้นเขากับโบกันห่วงให้ ถ้าถิงมาคุณมาทำมะสงขัดตายมากก็ไม่เห็นไม่ท่ายนสองมหาสมุทรร่อยกดมหาสมุทรเรา ก, กระบาดเสีนี้จากคุณมาทำมะสงเลยเรามองมองันบดค้ามอนได้ใ น, นใจลกกานเห็นเมื่อขืนค้าอน้อนกุฏิเจ้าบดทุกยกทุกสมัยเลยผูใ้ใดก็ะบาสอนดีเปนพระเจ้าดอกอนฆรวากสกระซอนขัดสอนแน่ซอนหมดสู้ว่ากบวชสู้แต่จบวชซ้อนขันมสู้บวชแล้วรือไที่มาไผ่บาทในภกินเมืไส้พระมาไผ่บาทในพกิน สามาตสาะดาสามาที่จะสกภาฆ้าอนา่าพังหันคือกันนะสิอยู่ขณรวา่นะสิพนวาวสันแล้วพลังหันอนี่ยได้ขณรวาทเมื่อสามาทีอายุเกิดเจ็ดวันต้องตายแค่นี้เฮ้ามาบวลดวนึงแค่นเ้บวลวงเรืองแม่ขาวเข้าผู้คนผู้จะงนึงลงลวงเรืองแมียขาวเข้าบวลงขันเมียขาวพูดได้สาคัญว่าเป็นพลังหันเข้าบวลง มันสมบตายได้เจ็ดมือมันสามัญยั่งยู่ฮวาสิดอกสิจัดเป็นเพศนั่งทชวนี่กับ่ได้จัดเป็นเพศนั่งที่ขามานาก็บ่ได้แม่นบอกจัเป็นจัดเป็นเพศนั่งสมนนี่ก็บ่ได้ว่าม่นก็ต้องตายม่เขาสิแม่เขาทีจัดได้ทำไรกันก็จัดได้ําอุบาทิศศีกาเทนั้นแหละแม่นบอกอุบาทิกา่านั้นแะสิจัดเป็นสมนนี่ก็บ่ได้ทจัดเป็นนั่งทึ่ขามาหน้าก็บ่ได้จัดเป็นทิ่วนี่ก็บบ่ได้แม่นบ่ มันพิสุนีบวชคนปีหนึ่งปีหนึ่งพุกพุทธเจ้าดันดานท่านสายี่สิบปียังให้เป็นอุปัชฌาย์หน้าพิสุนีท่านสายี่สิบปียึงให้เป็นอุปัชฌาย์ได้แล้วให้บวชปีละคนหน้าไปสุีอุปัชฌาย์น่ะให้บวชปีละคนไม่ให้บวชหลายเขาเนี่ยขัดบวชหน้าพิสุนี้แล้วให้มาบวชขับสงอีกเป็นสงท้องฟ้า เขาพวกไปถือว่าไปบวดร่างพิสูน์นี่นนี่มันน่อไหร่กูปสร้างมาเทใสพเขาวางซีรอกเมื่อบวดกระสุนของไฟบอกเขาวางซีร็อกคือได้ยินมาหมดนั้ น, นว่าะหนีเงินมาเนี่ยอย่างพอดีหลักสิลกป์ขอหันแก็มีแนว่ญญวันอยัดทถ่สพุทเจ้ามันอยักขึ้นทวารที่สงครามแล้วแล้ววาสัน่นมันกลงกับอันห่าวโย น, นนี่เห